พวกเราก็เดินทางกันมาหลายวันนั้นเนาะย้อนนี้ก็จนเกือบจะ <c oughs> สิ้นปีเก่าปีสองพห้าห้าสบปดเดินมาผ่า น, นหลายเทือกเขาหลายลำห้วยหลายชุมช น, เ, นเราก็ได้รับการเรียกว่าให้ที่พักให้อาหาร ให้ยารักษาโรคนะแก่พวกเรานะจนกระทั่งมีชีวิตได้ถึงวันนี้นะนะรู้สึกเราก็รู้สึกมันขอบคุณนะขอบคุณเส้นทางที่ผ่านมานะขอบคุณผู้คนที่ให้อาหารบินทบาทนะหรือว่าให้น้ำระหว่างทางหรือขอบคุณ ทำวัดหรือว่าผู้ดูแลวัดในการให้ที่พักเรารู้สึกขอบคุณแบบนั้นจริงๆนะเวลาเราเดินทางเหนื่อยๆนะได้ทานน้ำแม้ไม่ใช่น้ำเย็นสดชื่นไม่ใช่น้ำหวานนะแต่เป็นน้ำที่แ ค, แค่กระหายความหิวความกระหายของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นมาเลย หรือได้เดินผ่านต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเนาะเราก็รู้สึกขอบคุณต้นไม้แต่ถ้าเราใช้รถเนี่ยเดินทางเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณรถยนต์ขอบคุณท้องถนนจะมากกว่าแต่ถ้าเราเดินเท้าเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณต้นไม้รู้สึกเลยเดินช่วงไหนที่ที่ต้นไม้นะให้ร่มเงาเนี่ย หรือว่าใกล้ใกล้ลำธารที่ให้ความชุ่มเย็นเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณธรรมชาตินะที่เขายังอยู่สภาพที่ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีมากๆเนี่ยเราค่อยจะขอบคุณเทคโนโลยีแทนนะไม่ได้เห็นคุณค่าขอ ง, ของธรรมชาตินะอันนี้ก็มันเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเนาะ นะหรือเราเดินทางไกลถ้าเราใช้รถยนต์เนะีนะ่ยบางทีเราอาจจะขอบคุณปั๊มน้ำมันที่ให้ห้องน้ำนะขอบคุณเซเว่นขอบคุณอเมซอนที่ให้ความสะดวกในการซื้อหาของใช้ของกินของเรานะแต่ถ้าเราเดินทางด้วยหยตดเหงื่อแรงงานของเราเองเนะีนะ่ยธรรมชาติแล้วก็น้ำใจเนี่ยแหละนะเป็นสิ่งที่ เราสัมผัสได้ว่ามีบุญคุณนะแก่เราจริงๆนะหรืออย่างอาหารที่เราบินธบาต ท, ทุกๆเช้าเนาะนะเราก็ได้รับนะอาหารนะเพียงพอต่อการประทังชีวิตนะบางหมู่บ้านก็เรียกว่าลดเหลือเหลือเฟือนะนะแกการประทังชีวิตของเรานะเราก็รู้สึกว่า ออมันเป็นน้ำใจนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขามีความตั้งใจนะตื่นแต่เช้านะาข้าวหุงข้าวนะทำอาหารนะถวายทานแกแกคณะพวกเราที่เดินทางเมื่อเราได้เดินทางเมื่อเราได้ฝึกฝนตนเนาะเราเดินมาด้วยความ ยากลําบากทางกายนะเพราะว่าต้องขึ้นเขาลงห้วยนะแดดร้อนเดินทางไกลเราเดินทางด้วยความยากลําบากแต่เราก็รู้สึกว่าเราเดินด้วยความฝึกฝนตนใช่ไหมเราเดินด้วยความเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอรหรันต์นเราเดินตามทางเช่นนั้นเมื่อได้รับอาหารหรือได้รับที่พักนะได้รับปัจจัยต่างๆเรารู้สึกว่าเออ เราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติสมควรนะอย่างคาว่าพระสงฆนะ์นเนยปฏิบัติสมควรนะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกนะปฏิบัติ ด, ต ด, ดีปฏิบัติ ต, ต, ตงนะแม้บางคนไม่ได้เป็นพระสงฆ์อย่างนั้นทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็ได้เดินตามรอยรู้สึกว่าความหมายที่มันใกล้เคียงขึ้นในใจของเรา เราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกปฏิบัติสมควรแล้วเนะี่ยถ้าเรารู้สึกว่าในแต่ละวันเราได้ทําเช่นนั้นนะเนะี่อาหารบินทบาร ท, ที่พักที่อาศัยหรือว่าสิ่งต่างๆที่ญาติโยมเ้าถวายเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าสมควรรับเนะี่ยเป็นเรียกว่าสมควรรับก็คือเป็นเนื้อนาบุญเนะี่ย เป็นเป็นนาที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพาะปลูกนะเหมาะแก่การพาะปลูกบุญของญาติโยมเราเองก็ขณะที่เราเดินทางเนาะเราได้ฝึกฝนตนนะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็สมควรเนาะแม้อาจจะยังมีขาดตกบกพร่องกันไปบ้างนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับสภาพว่าสมมติถ้าเราม นั่งรถมาสบายๆนะมาขอที่พักอยู่ในวัดมาขออาหารบิณฑบาตนะชาวบ้านนะหรือว่าเราแบบมากินมาเที่ยวนะเราต้องมาขออาหารจากชาวบ้านนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความละอายใจนะว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตมัน ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อการฝึกฝนตนนะแต่ก็ต้องมารบกวนมาขอนะสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเนะไม่ว่าจะเป็นการทำนาที่ก็ไม่ว่าจะเป็นนาน า, นาเรียกว่านาพื้นราบหรือว่านาบนภูเขาก็ดีนะ หรือว่าข้าวปลาอาหารที่เขามาก็ดีมันก็คือหยาดเหงื่อแต่งงานแล้วก็ความเหนื่อยยากของญาติโยมนะอย่างเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นอนาคาริยนะผู้ที่ออกจากเรือนแม้ชั่วคราวนะแต่เราก็ใช้ชีวิตคล้ายเหมือนนักบวชนะนักบวชก็คือพิษุกนะผู้เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆเที่ยวขอนะบินธบาจาก ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในขณะที่เราเดินทางจาริกเนี่ยเรากำลังเดินทางเพื่อหาความหมายของชีวิตเนี่ยเพื่อเดินตามรอ ย, ยพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอาหารที่เราได้รับสิ่งต่างที่เราได้รับเนี่ยมันรู้สึกเออมันไม่เป็นพิษเนี่ยมันไม่มันไม่สูญเปล่า เพราะว่าเลียวแดงที่เราได้จากอาหารนะเราก็เอาใช้เพื่อการฝึกฝนตนนะไม่ใช่ใช้เพื่อความสนุกสนานไม่ใช่ใช้เพื่อความเพิดเพลินใช่ไห ม, มถ้าเรารู้สึกแบบเนี้เรารู้สึกเออมันไม่เมดมันคุ้มค่าเนาะอย่างอย่างในบทธรรมป่าหังนะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเปรียบเทียบพิสุนะที่บรดิโพก จีวรบินทบาทตเสนาสนะและเพศสัตว์ของคนทั้งหลายเราใดนะถ้าเราประพฤติไม่สมควรเนะ่มันก็เหมือนกับยาคานะที่จับไม่ดีนะมันก็จะย่อมบาดมือตอนเองฉันนั้นนะเรารับสิ่งที่ญาโยมเขาถวายนะเหมือนกับจับยาคานะ จับไม่ดีก็บาดมือตัวเองนะแต่ถ้าเราจับดีนะก็เกี่ยวยญาคามาทําเป็นหลังคามุงแดดมุงฝนได้นะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารับปัจจัยจากญาติโยมด้วยดีนะก็เหมือนกับเรากําลังสร้างนะหลังคามุงมุงกันความทุกข์ในใจของเรานะสร้างที่พึ่งแก่ใจของเราเองอย่างแท้จริง ได้นะเนะี่ยเราก็ต้องเราสึกก็เป็นการเตือนตัวเองนะดูตัวเองนะในขณะที่เราเดินทางก็ดีหรือขณะที่เราอีกไม่กี่วันาอาจจะไม่ได้ทุดงแล้วนะเราไปอยู่ที่วัดนะหรือเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะแต่เราก็ต้องบริโภคนะปัจใจศีนะจากนะจากญาติโยมอยู่นะ หรือแม้บางคนอาจจะเป็นคาราว่ารู้สึกว่าปัจจัยต่างๆที่เราได้มาด้วยเงินทองนะของตนเองแต่ก็พึงระลึกสักหน่อยนะว่าบางทีเงินทองที่เราได้มาบางทีมันก็อาจาจะไม่ใช่แบบมันก็อาจาจะไม่ใช่สมกับคุณค่าของสิ่งที่เราได้จริงๆนะมันเป็นเพียงแค่สมมุติที่ ที่เราได้รับนะแต่มอาจจะมีต้นทุนที่มันมากกว่านั้นนะที่ประเมินค่าไม่ได้ที่เรานะที่คนอื่นเขาเสียสละนะหรือว่าคนอื่นเขาเขาต้องอ่าเขาเราเราได้รับแต่คนอื่นเขาไม่ได้รับแบบนี้นนะเหมือนอย่างตอนธรระยาตาเนาะที่เราคุยกันเรื่องน้ำนะ มีหลายคนอยู่ในกรุงเทพเนะี่ยก็สะท้อนเลยว่าน้ําที่กรุงเทพไม่เคยขาดนะเปิดก๊อกเมื่อไหร่ก็ไหลเมื่อนั้นนะแต่คนในกรุงเทพไม่รู้หลักว่าน้ําที่กว่าจะมาถึงเขาเนี่ยนะที่เขาได้ใช้ทุกวันนะไฟฟ้าแอร์ที่แทบจะไม่เคยดับเลยนะนะนะที่เขาบริโภคทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากทรัพยากรจากชนบททั้งนั้นนะ จากเขื่อนที่ต้องตัดต้นไม้ทาเป็นเขื่อนนะชาวบ้านต้องอบพยพทิ่ินฐานบ้านช่องเพื่อให้เกิดการสร้างเขื่อนหรือเกิดโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอะไเนี้ยชาวบ้านก็ต้องพัดทิ่ินพัดฐานนะหรือว่าน้ำที่ไหลลงไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ลุ่มน้ามันก็เกิดจากป่ากเขา ที่อยู่บนต้นน้ทาทั้งนั้นนะอันนี้คือมันมีอีกหลายอย่างนะที่มันไม่สามารถเป็นประเมินราคาได้แม้เราจะจ่ายค่าหน่วยในการบริโภคไฟนะแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่งตางๆแล้วนั้นก็ได้นะถ้าถ้าเราตระหนักถึงเรื่องพวกนี้นะเราจะใช้ทรัพยากรเนี่ย อย่างประหยัดนะให้น้อยที่สุดเพราะเรารู้สึกว่ายิ่งบริโภคมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งต้องทำลายนะธรรมชาติมากตท่นั้นนะอันนี้ถ้าเราช่วยกันประหยัดนิดหนึ่งก็อาจจะช่วยกันทำลายธรรมชาติลงน้อยหนึ่งนะถ้าทุกคนเป็นล้านๆ้านคนช่วยกันแบบนี้มันก็จะประหยัดลงไปได้อีกเป็นหลายเท่าใช่ไหม แต่ถ้าเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากความตระหนักรู้ถึงคุณค่าเนาะเหมือนอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันพอเรารู้สึกคุณค่าของอาหารที่ต้องรับประทานนะนะอย่างเราเห็นว่าคุณค่าของน้ำปานนะในแต่ละมื้อนะที่แต่ก่อนบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจนะกินทิ้งกินขว้างบ้างก็มีนะน้ำส้มโอวันตินนะหรือว่าน้ำหวานนะ พอเรามาเดินทุ่ดงเราเห็นคุณค่านะไม่แต่เกลือแร่หยดสุดท้ายก็ต้องกินไปให้หมดนะอย่าให้มันเหนือยอย่าให้มันตกหล่นนะใช่ไห ม, อ, มอันเนี้ยคือหรือขนาดที่เดินทางไกลน้ํามีน้อยเนี่ยก็ต้องค่อยๆจิบอย่างประหยัดนะกลัวน้ํามันจะหมดไปวันนะี่ยหรือเสื้อผ้าที่เรามีเนี่ยก็ต้องบริหารอย่างดีนะเวลากลางคืน จะซักตอนไหนจะขมตอนไหนคนะือต้องใช้อย่างเรียกว่ารู้คุณค่าจริงๆรนะิข้าของต่างๆที่เอามาก็อันไหนไม่จำเป็นก็ต้องสละนะอะไรจำเป็นหรืออะไรเอามาใช้ทดแทนกันได้ ก, ก็ใช้ร่วมกันตงนะีนะ้เนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของของสิ่งของหรือว่าของคนอื่นก็ต่อเมื่อเราได้มาเห็นนะ มาเห็นความทุกข์ในขณะที่เราเดินทางนะเมื่อเราเห็นความทุกข์เรารู้ว่าะอะไรที่มันจะช่วยบรรเทาทุกข์หรือว่าดับทุกข์ได้เนี่ยอันนี้นคือสิ่งที่เออมันเป็นคุณค่าที่แท้จริงนอย่างร่างกายน ะ, นะเราอาศัยอาหารเราอาศัยที่อยู่อาศัยอาศัยปัจจัยอื่นๆเพื่อบรรเทาทุกข์เนี่ยเราก็เห็นคุณค่านะของตรงนั้น จิตใจเองก็เหมือนกันนะนะเมื่อเราปฏิบัติธรมไปเรื่อยๆนะเราเห็นว่าสิ่งที่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ทางใจหรือว่าลดความทุกข์ทางใจเราได้เนี่ยก็คือธรรมะทั้งนั้นนะธรรมะช่วยให้เราพบความสงบเย็นภายในใจของเรานะเนี่ยมันก็เราก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของธรรมะนะนะ รู้สึกมั่นคงในธรรมนะไม่วันไหวนะเห็นว่าอันนี้คือคุณค่าที่แท้จริงมากกว่านะปัจจัยภายนอกนะถ้าเราเห็นคุณค่าตรงเนี้ยแท้จริงนะเราจะไม่วันไหวตามโล ก, กธรรมนะไม่วันไหวในราบยศสรรเสริญเยนยอนะไม่วันไหวกับสิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกที่เป็นที่พึ่งได้อย่างไม่แท้จริงตรงนั้น เราพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงตรง น, นี้เราจะรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ทางใจหรือลดความทุกข์ทางใจได้นะเราจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราแล้วนะนะไม่วันไหวก็คือมันจะเกิดศรัทธามั่นคงตั้งมั่นนะแต่เป็นศรัทธาที่ท เห็นจริงๆน ะ, นะไม่ใช่ศรัทธาที่เป็นแบบศรัทธาง่อนเง่นคอนแคลนเนาะบางทีหลายค น, นในทางโลกนะก็มีศรัทธาแต่เป็นศรัทธาที่ง่อนแงนคอนแคลนศรัทธาเพราะตัวบุคคลนะดูหน้าเรื่อมใสนะแต่พอบุคคลนั้น เช่นศึกขาดาเพศไปหรือว่าเสื่อมเสียไปก็เกิดหมดศรัทธาต่อพระศาสนาอะไรแบบนี้นะอันนั้นก็เป็นศรัทธาที่ยังไม่เที่ยงแท้นะเหมือนกับหลายคนได้ฟังข่าวได้อ่านข่าวนะอยากวิทยุโทรทัศน์สื่อต่างๆเห็นพระทําไม่ดีนั่นนี่ก็เกิดความเสื่อมนะศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา แต่ที่จริงไอ้ตรงนั้นไม่ใช่พุทธศาสนานะตรง น, นั้นเป็นตัวคนนะคนที่ทําให้คนที่ทําตัวเองเสื่อมนะไม่ใช่ทําศาสนาเสื่อมนะคนที่ทําตัวเองเสื่อมจากคุณงามความดีนะแต่าศาสนาไม่ได้เสื่อมไปที่ไหนนะนะเพียงแต่ว่าเขาเสื่อมจากคุณงามความดีนะเพียงแต่ว่าเขานุ่งเหลืองหรือว่าเขาอยู่ในวัดนะ มันไม่ใช่ตัวศาสนาที่แท้จริงหรอกนะนั้นศรัทธาที่แท้จริงนะอย่าไปผูกที่ตัวบุคคลนะ่าไปผูกที่วัตถุสิ่งของแต่ต้องศรัทธาที่มั่นคงต่อต่อพระธรรมวินัยจริงๆเนะี่ยมันถึงจะไม่งอนงอนงันคอนแคลนนะไม่หวันไหวเพราะบางคนถ้ามีศรัทธาแต่เฉพาะตัวบุคคลเนะีนะ่ย บางทีมันก็จะสุขทุกข์ตามตัวบุคคลหรือว่านะดีไม่ดีก็ตามตัวบุคคลนั้นถ้าเขาสอนดีสอนถูกสอนตรงนะถ้าปฏิบัติตามจริงๆรนะิก็อาจจะเดินตามรอยพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าคนนั้นเองเขาก็ยังไม่รู้เขาก็สอนผิดนะผิดได้ตั้งใจหรือผิดได้ไม่ตั้งใจก็ดีนะ ตัวเองศรัทธาไปก็ก็ไม่เกิดปัญญาได้ตัวเองนะก็ก็เรียกว่าหลงผิดไปด้วยนะเหมือนเขาเดินทางหลงทางนะตัวเองก็เดินตามเข้าไปก็หลงตามเข้าไปด้วยแบบนี้นั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะศรัทธาก็ต้องมีปัญญามากํากับนะปัญญาอย่างที่ว่าตอนแรกว่าปัญญาในการเห็นธรรมเนี่ยมันจะทําให้ใหศรัทธาของเรามั่นคงขึ้นนะ หรือปัญญาในการรู้จักคิดพิจารณาบ้างนะนะเราก็ต้องมีหลักการของเราเองนะก็ต้องเข้าใจหลักธรรมเพื่อมาไต่ตรองในการที่จะศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเราก็ต้องมีหลักนะมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญานะมีปัญญาก็ต้องมีศรัทธานะบางคนปัญญามากคิดเหตุผลมากมายนะ ก็ไม่ค่อยศรัทธาคนก็มีนะหรือบางทีคิดปัญญามากแบบพวกคิดมากนะพวกรู้มากพวกเหตุผลมากเข้าใจอ่านมากนะบางทีก็ไม่ค่อยศรัทธาคนอื่นเท่าไหร่บางทีก็เลยไม่เกิดการกระทำเท่าไหร่นะบางทีบางคนคิดว่าเข้าใจแล้วนะก็ไม่ค่อยลงมือทำนะก็มีนะ ปัญญาในทางโลกมันมันก็ไม่ใช่เครื่องเครื่องช่วยให้เราพ้นจากทุกข์จริงๆนะอันนี้ปัญญาในทางโลกรวมถึงไม่ใช่เพียงแค่การเรียนการศึกษาทางโลกเท่านั้นนะแม้แต่การปริยัติทางธรรมก็เหมือนกันนะ <c oughs> การได้อ่านการได้ฟังเยอะๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนปัญญาทางโลกนะที่รู้แล้วนะแต่ถ้าเรายังไม่ทำํำนะ มันก็ย่อมแก้ทุก์ไม่ได้นะนะเหมือนเหมือนอย่างพาสิตที่บอกว่านะความรู้ท่วมหัวนะแต่เอาตัวไม่รอดนะเรามีความรู้ท่วมหัวไปเลยแต่เราเอาตัวไม่รอดเนะนะ่เหมือนบางคนมีความรู้ทางโลกหลายอย่างนะแต่พอมาอยู่ป่าไม่มีความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในป่านะก็เดินหลงป่า หาอาหารกินไม่ไดนะ้หรือเรามีความรู้ปริยัติมากมายแต่พอเกิดปัญหากับชีวิตขึ้นมาเมื่อไรก็ทุกใจเมื่อนั้นนี่แสดงว่าความรู้เราท่วมหัวแต่เราเอาตัวไม่รอดนะเราต้องรู้จักแปลความรู้ของเราให้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงได้อย่างไรเนะี่ยอันนี้ถึงจะเกิดเป็นปัญญาที่แท้จริงได้เนาะสัตธากับปัญญามันต้อง คู่กันนะความเพียร น, นะวิิยะก็เหมือนกันนะเมื่อเกิดศรัทธามันจะมีความเพียรนนะเพียรในการฝึกฝนตนเพียรในการพัฒนาตนนะแต่บางคนถ้าเพียรเพียรแบบมุ่งตั้งมั่นแต่จะให้ถึงเป้าหมายให้ไดนะ้หรือว่าเพียรแต่ผิดวิธีการนะมันก็จะไม่เกิดความสงบของจิตใจนะ ไม่เกิดสมาธิขึ้นในใจนะก็มีแต่ทำไปแล้วก็ด้วยความฟุ้งซ่านหรือทำไปแบบขยันแต่โงะนะ่นะนะ เ, เราเคยเห็นไหมบางคนก็ขยันนะแต่ทำไมเขายังยากจนอยู่หรือทำไมเขายังยังไม่คล้ายๆไม่ก้าวหน้าทันทีนะเพราะว่าขยันแบบ ไม่ถูกวิธีนะก็ผิดทางเหมือนกันนะความเพียนที่เกิดขึ้นก็ต้องเพียนให้ถูกต้องนะทำให้ถูกทางมันถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ตนะั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วนะก็มีคนทําความเพียนอย่างเช่นบำเพ็ญทุกขลั ก, กิริยานะหลายๆวิธีคิดว่าจะเป็นทางที่พ้นทุกข์ เพียรเต็มที่เท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะอะไรทำผิดวิธีนะแต่พระเจ้าองบอกความเพียรที่ดีนะต้องมีสมาธิมากํากับนะถ้าเพียรถูกจิตจะสงบขึ้นนะจิตจะมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะถ้าเราทำความเพียรแล้วรู้สึกว่าจิตมันสงบจิตมันตั้งมั่นจิตมันมั่นคงเนะี่ยแสดงว่าเราทำความเพียรถูกต้องนะนย แต่สมาธิเองถ้ามีมากเกินไปนะก็เป็นข้อเสียนะสมาธิถ้ามีมากเกินไปบางทีมั น, ม, นมันแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวจนไม่รู้รอบนะคือสมาธิเนี่ยมันเหมือนรู้ลึกลงไปนะรู้ลึกอย่างถ้าสมาธิทางโลกเนาะเหมือนเราสนใจเรื่องในเรื่องหนึ่งเราก็จะสนใจจ่เรื่องนั่นมุ่งมั่นแต่เรื่องนั้น นะไม่ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะนะเช่นบางคนตั้งใจเรียนก็เรียนอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะบางคนมุ่งเป้าเล่นกีฬาก็เล่นแต่กีฬาอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นมุ่งจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวสมมตินะบางทีคือสมาธิบางทีมันมันมันมั่นคงมากเกินไปมันก็ทำให้เราไม่ดูรอบนะ เจิตมันสงบจิตมันตั้งมั่นจิตมันเป็นสมาธิจดจ่อแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างเดียวมันก็ทําให้ไม่ดูรอบเนะี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะอืมบางคนมีสมาธิมากนะทําให้เ อ, อไม่ดูรอบนะสมาธิก็ต้องเนะี่ยมีหรือบางคนมีสมาธิมากก็เกิดความสงบสบายเกิดความขี้เกียจ อย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อไหรที่จิตมันสงบนะบางทีก็จะไม่อยากทําอะไรนะคําว่าไม่อยากทําอะไรไม่ใช่เพียงแค่ไม่อยากลุกไปทํานั่นทํานี่เท่านั้นนะแต่หมายถึงว่าจิตมันก็ไม่อยากจะเดินปัญญาจิตมันก็จะพักเฉยๆรู้สึกว่าเฉยๆก็สบายดีอยู่แล้วนะแต่มันไม่เป็นการเดินปัญญาต่อนะ เดินปัญญาก็ต้องเห็นไจรักนะของลูปของนามนี่นแหละนะมันถึงจะเกิดการเจริญปัญญาต่อนะแต่จิตที่เป็นสมาธิมากๆนะคนที่เข้าสมาธิเก่งๆเนะี่ยบางทีจิตมันนิ่งๆนะมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นหรือจริงมันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นแหละแต่มันไม่ไม่อยากไปรับรู้ไม่อยากไปสนใจนะไม่อยากเจริญต่อนะคิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะ สมาธิแบบนี้ก็เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเหมือนกันเนาะก็ก็ต้องมีความเพียรมามาเพียรก็คือว่าเพียรในการที่พัฒนาตัวเองขึ้นนะไม่ใช่พอใจเพียงแค่สมาธิที่มีแค่นั้นนะสมาธิกับวิริยะก็ต้องคู่กันนะแต่สิ่งที่จะช่วยปรับนะนะได้ดีคือตัวสตินะสตินะสติช่วยปรับนะ เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าสมาธิมากไปเนี่ยก็ต้องขยันขยันรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นนะเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าขยันทําความเพียรแต่ไม่มีความสงบเลยเนี่ยนะนะเราก็ต้องสํารวมนะสํารวมกายวายจาใจขึ้นเพื่อให้จิตมันสงบขึ้นนะสติจะเป็นตัวช่วยปรับนะเมื่อใดที่ผสทามากนะ แต่ไม่มีปัญญานะสติก็จะช่วยเตือนเมื่อไหร่ที่ปัญญามากเอ้าอันนี้ก็เอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดอีกแล้วนะเอาแต่ตัวปัญญาไม่เอาตัวภาวนาไม่เอาตัวลงมือกระทําเลยเนะี่ยสติก็จะช่วยเตือนเราวอ้าวหลงไปคิดอ่าเอาตัวปัญญานําอีกแล้วหน้าเราอะไรประมาณนี้ก็มีนะสติจะเป็นตัวช่วยปรับความสมดุลนะเนี่ย ในภาษาพระก็เรียกว่าพระห้าอินทรีห้านะผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะเวลาเราเราภาวนาเนี่ยเราต้องดูความสมดุลขององค์ประกอบทั้งห้าอย่างเนี่ยให้มันไปด้วยกันนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันดำหน้าก็ต้องดึงอีกตัวตามเข้าไปนะคำว่าปรับนี้ไม่ใช่ว่าคอย คออีกด้านหนึ่งนะแต่บางทีอย่างเช่นบางคนบางคนปัญญามากอยู่แล้วเนะี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ก็ต้องเพิ่มความศรัทธาเพิ่มการกระทำเข้าไปให้มันสมดุล น, นะอย่างบางทีเราเราได้อ่านเรามาเรารู้มาแล้วเนะี่ยมันลบออกไม่ได้นะมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ดีดีดความรู้ลบทิ้งออกไปจากสมองของเราเนะี่ยมันทําไม่ได้เนาะเมื่อมันรู้แล้ว มันก็มีแต่ต้องลงมือทำให้มันมากขึ้นย่อยความรู้นั้นให้มันมากขึ้นเหมือนเรากินอาหารกินเข้าไปเยอะๆเนะี่ยเราออกไม่ได้นะเรามีแต่ต้องย่อยมันให้มันเกิดพลังงานเกิดความสมดุลขึ้นเนะี่ยศรัทธาใครมีศรัทธามากก็ต้องพยายามพนะิจารณาหรือว่าภาวนาให้มากๆเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้ ตัวสมาธิเองก็เหมือนกันบางคนก็มีสมาธิมากอยู่ในจิตของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องทำความเพียรเข้าไปนะบางคนขยันนะขยันแต่ขยันแบบลุกลี้ลุกลนนะก็ต้องขยันแบบมีสมาธินะบางคนจะดิบแบบขยันนะอยู่นิ่งไม่ได้ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยชอบทำนั่นทานี่นะแต่บางทีก็ทำเพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านก็เลยทา เพื่อระ ง, งับความฟุ้งซ่านของจิตนะทำไปนะเพราะถูกกิเลสเขาเขาบอกให้ทำนะแต่เราจะทำอย่างไรทำได้จิตที่มีสมาธินะจิตที่สงบหรือจิตที่รู้สึกตัวเนะีนะ่ยเป็นองค์ประกอบที่ที่สำคัญเนาะเวลาเราภาวนาให้เราให้เราดูเรื่องพวกนี้เนาะดูเรื่องพวกนี้ ในขณะที่เราภาวนามันเป็นแบบไหนในใจของเรานะ อ, อันนี้คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเวลาเราใช้ชีวิตในะแต่ละวันให้เราพยายามดูตัวเองนะดูตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะแต่ที่จริงอยากจะพูดเสริมอีกนิดนึงคือว่าอย่างอาหารที่เราได้นะหรือว่าที่อยู่อาศัยที่เราได้รับเองเนะี่ย แต่าที่พูดตอนแรกว่าเราเราก็ได้ฝึกฝนตนเราได้เดินทางเนาะเราได้ทําความเพียรเพื่อเป็นการสมควรแก่การรับนะทรัพย์สินนาทานที่ย่าโยมถวายเนี่ยมันก็สมควรแล้วนะแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทําเพราะเราเรายึดว่าเราดีนะเรา mm. เราเก่งเราแน่แล้วนะ่ะ แต่จริงพวกนี้มันก็มีเหตุนีปปัจจัยนะเพราะมีพระพุทธเจ้านะก็เลยเกิดพระธรรมวินัยขึ้นเกิดพระศาสนาขึ้นนะมีพระอริยะสงฆ์มีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดคำสอนตามพระพุทธเจ้ามาสองพันหกร้อยปีแล้วมนะนะก็ทำให้เกิดความศรัทธาเกิดความรู้หลักในการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาะ เราเดินผ่านมานชาวบ้านเขาใส่บาทให้เราทีโดยความไม่รู้จักเราหรอกแต่เห็นเราเป็นพระเห็นเราเป็นผู้จาริกแบบนี้ก็เนื่องด้วยมีพระพุทธเจ้านะมีครูบาอาจารย์ที่ทำไว้ก่อนมีหลงพ่อมีเจ้าอาวาสในแต่ละที่ที่อบรมสั่งสอนญาติโยมในเรื่องการทำบุญทำทานในเรื่องการรักษาศีลหรือการภาวนาเนี่ย ก็ทำให้เกิดเกิดเหตุให้เราได้รับที่อยู่อาศัยได้รับเข้าปาอาหารมันก็ไม่ใช่ว่าเพราะเราคนเดียวถ้าเราคิดว่าเราแน่คนเดียวลองไปบินทบาทในหมู่ที่เขาไม่ได้นับสื่อพูดตือสิแน่จริงไหมบางทีก็อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะบางทีก็แต่ก็มันก็มันก็เป็นเหตุ เหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะแต่เราที่พูดหมายถึงว่าพูดไม่ใช่เพื่อว่าให้เรารู้สึกว่าเราแน่แบบเพื่อเป็นอัตตามานะเนาะแต่เรารู้สึกว่าน้อมขอบคุณสิ่งต่างๆที่เราได้รับเนี่ยเพราะว่าเราได้ปฏิบัติสมควรแก่การที่ที่เขาถวายแล้วเนะี่ยแต่ก็ไม่ใช่เพื่อเป็นตัวตนนะให้เราเห็นว่ามันก็มีเหตุมีปัจจัยนะ เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็เราเนั่นแหละที่ได้ฝึกฝนตนดีเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็เกิดจากที่มีการสะสมมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้เนาะในการที่พระหรือว่าญาติโยมหลายคนก็สืบเรียกว่ารักษานะข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามตัวนี้ไว้ก็นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับ ทัศนาทางตรงนี้ด้วย น, ะนั้นเราก็ต้องมันเลึกตัวเองอยู่เสมอนะแม้บางทีบางทีเรากลับไปที่วัดหรือบางทีก็มีญาติโยมถวายอาหารมานะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าในแต่ละวันนะเราได้ทำกิจของเราสมควรแล้วหรือยังอนะไรเ้นหรือถ้าเราเป็นญาติโยมเราได้ซื้ออาหารรับประทานได้ซื้อสิ่งของบริโภคนะ ด้วยเงินทองของเราเองแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าในแต่ละวันเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังในการบริโภคสิ่งต่างเ่านั้นนะบริโภคไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อเตินหรือว่าบริโภคไปเพื่อนะทำประโยชน์ให้กับโลกนี้ทำประโยชน์ในการนะพัฒนาจิตใจตัวเองจริงหรือเปล่าแบบนี้นะ ถ้าเราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะมันจะเป็นการเตือนตนเองว่าอ้อหน้าที่ดักจริงๆของเราคืออะไรเราบริโภคสิ่งของจากโลกนี้เพื่ออะไรนะนี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะมันจะเกิดการรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตคุ้มค่าเมื่อถึงวัดเวลาที่เราจะตายนะมันก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วที่ได้ใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าไม่เป็นหนี้ ใช้ชีวิตอย่างเออพัฒนาตัวเองได้ระดับได้ระดับหนึ่งก็พอใจละนะมันก็แม้บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงที่สุดหรือเปล่าในชีวิตนี้แต่ก็รู้สึกว่าแต่ละวันเราได้ทําเต็มที่แล้วนะมันก็จะรู้สึกว่าเออมองย้อนกลับไปมันก็คุ้มค่าไม่เสียดายนะไม่อะไรอาวรเนานะเหมือนเราเดินทางอะ่ะจากแม่ห้องสอนมาถึง ที่นี่นะเกือบเป็นชายแดนแม่ห้องสอนกับตากแล้วเนี่ยเรารู้สึกในแต่ละวันแต่ละก้าวที่เราเดินมาเนี่ยมันด้วยความเพียรของเราเองหรือว่ากำลังใจจากหมู่คณะนะหรือว่าอาหารจากยติโยมลมเงาจากต้นไม้ความชุ่มเย็นจากแม่น้าเนี่ยมันเป็นพลังที่ทำให้เราเดินทางมาถึงตรงนี้ได้นะ ไม่ใช่เรานั่งรถมาสบายๆนะนแต่เราทําความเพียรมานะนะชีวิตนี้ก็เหมือนกันนะโอเราทําความเพียรนะในการฝึกฝนตนทําความรู้ทางโลกทําความรู้ทางใจนะเราได้ทําแบบนี้จริงๆนะนะถ้าเราไม่ได้ทําเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาหรือว่าเสียดายชีวิตที่ผ่านมาเนะก็จะอะไรอาวร์ ถึงอดีตหรือว่ากังวลถึงอนาคตว่ากลัวว่าถ้าตายไปแล้วจะไปที่ไหนนอเพราะว่ากรรมไม่ดีที่เคยทำมันมีมากหรือว่าเรางานการที่ค้างๆก็ยังมีมากก็เกิดความห่วงอะไรอาวร์ไปเนี่ยชีวิตแบบนี้ถึงจะเป็นชีวิตที่เรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็ไม่เสีย ไม่เสียดายเวลาไม่เสียดายที่ได้เกิดมามีชีวิตเนาะก็ให้พวกเราได้ตั้งใจทำความเพียรเนาะด้วยความสงบด้วยความสุขนะจะได้เกิดศรัทธาแล้วกเกิดเกิดปัญญาอย่างแท้จริงนะที่เป็นที่พึ่งแก่ชีวิตของเรา